ศาสนาในขั้นเริ่มแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศเองและสาวกท่านช่วยพุทธภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาบางลงโดยลำดับในครั้งนั้นไม่ค่อยจะว้างขวางคือมีแต่เนื้อเนื้อขั้นต่อมานานเข้านานเข้าไป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 เกี่ยวข้องไปด้วยแล้วอย่างไรเรื่องเปลือกเรื่องกับพี้นี่จะได้ถูกเสกสรรเข้าไปเป็นแก่นเป็นหลักเป็นความจริงของศาสนาทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ใช่ความจริงนี่เป็นเรื่องทีนหนามีตกอยู่มากศา ส, สนาแท้ๆท่านไม่มีอะไรมากมายกายคองนอกจากสิ่งที่จำเป็นทำลงไปแล้วเกิดประโยชน์เท่านั้น เปนศีลอย่างนี้รับศีลก็ต้องยุ่งไปหมดมาไม่ทํารับศีลก็เสียใจน่นว า, างอะไรอะไรก็ต้องรับศีลรับศีลอยู่ตลอดเวลาแล้วการรักษาศีลไม่ทราบรักษาอย่างไงกันนี่อันสําคัญแต่วันย่างค่ำมีงานที่ไหนพิธีที่ไหนอ้าวอยู่แล้ว น, นี้กองตับเตียท่าน อ๋อา้องขึ้นล้วก่อนฮึไหวแดเสียควัคารรับสีก็มีเจตนาอยู่ภายในใจเป็นผู้ชี้ขาดหรือการรับรองในความเป็นสีมั่งตนก็มีเท่านั้นถ้าเป็นคารวาสทั่วๆไป คือศีลทั่วไปเป็นศีลห้าศีลแปดอย่างนี้ิีนที่เป็นเพศอันหนึ่งเพื่อประกาศเพศก็ต้องมีเรื่องให้ประกาศเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งขึ้นมาตามหลักพระวินัยเป็นศีลเนรศีลพระเ น, นี่ยแต่สุดท้ายก็เจตนาก็อันเดียวกันไม่ได้มากม า, กายกายคองอะไรทมพิธีก็เอาถวายทานก็ฝ่ายจนจนกระทั่งหมดคัมภีรบางที นั่งฟังไปจนจะเหงานอนจะนอนหลับถวายทานไม่ทราบว่าถวายอะไรตัละ ย, ยุ่งไปหมดไล่มาโมลโอกระทา น, นี่มาถวายทานดีไม่ดีอยากจะจะอวดภูมิตัวเองด้วยว่าได้เรียนมามากเลยรู้มากไอคนอื่นเขาสจันใช่ไหมไอภูมิน้ำลายนั่นนี่อย่างนี้เป็นต้นการเมื่อแล้วได ผ่านการปฏิบัติแล้วเราจะเห็นว่าอะไรมันทําให้เสียเวล่ําเวลาอะไรมันจริงอะไรมันปลอมหรืออะไรมันยืดเยือ้อขอยจะเข้าถึงตัวจริงเนี่ยโอ้โหเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้ไม่ทราบทําเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นในวงกรรมฐานท่านถึงไม่ค่อยมีเรื่องพิธีที่ตองอะไรอยากจะพูดว่าไม่มีแต่ว่าไม่ค่อยมีว่า ง, งั้นพอเหมาะ ท, ทีก็ต้องอารมณผ่อนผันทั้งทั้งที่ทก็ทราบอยู่แล้วมันก็มีเพื่อกิตใจผลถ้าเดินไปตามนั้นอ้าวกิจใจนี่การจะเป็นประโยชน์มันก็เป็นทโทษไปเสียหพอผ่อนผันนานยาวก็ผ่อนไปบ้างในวาระต่อไปค่อยเตือนกันค่อยบอกกันให้รู้เรื่องรู้ราวอ่วันนี้เป็นไง <laughs> หรือไม่เท็จเรื่องนี้หรือเท็จว่างไงต้องหมุสหมนสามนนความเอาจริงเอาจังเอาหลักออกเจนของพระพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกตั้งแต่เริ่มเข้าบวชเป็นเริ่มความจริงจังขึ้นในขณะบวชแต่ก่อนเอหิปิคุประสัมปทาท่านต้อเป็นพิกษุมาเถอด ทำลาตาภพกล่าวชอบแล้วจงมาพุทธมอาจรย์เพื่อความชิ้นสุทแห่งทุกเถิดนี่วาระแรกต่อมาก็พิจารณุประสัมพทาถึงสรณะสามคือพระพุธทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สําเร็จเป็นพระขึ้นมาถึงวาระสี่นี้โ อ, อถึงวาระที่สามนี่ก็ยกให้สงเป็นใหญ่บวชให้สําเร็จในสงฆ์แล้ว ตอนนี้เป็นท่านประกาศทางลูกขมูลนี้เป็นลูกขมูลฤเเสนาสนังแล้วก็ให้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกโดยชอบเถอดบางทางที่แต่ก่อนก็สอนให้อยู่ลูกขมูลล้มไม้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ขึ้นเป็นกฎเป็นเกณฑ์ในการบวช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 คือการบวชนั่นเองท่านเอาจริงเอาจังสอนแล้วไล่เข้าป่าเข้าเขาไปเลยให้ผูปพิทบรับจนกระทั่งได้บรรลุแล้วจะออกประกาศสอนอประชาชนก็ที่นี้เป็น ป, ประกามปฏิยาใสของท่านผู้ที่มีอำนาจวาสนาหรือความรู้ความฉลาดลึกตื้นอย่าละเอียดมากน้อยเท่ไงรท่านก็สั่งสอนประชาชนไปองคไหนที่ท่านมาเกี่ยวข้อง มัทนาท่านไม่มีอย่างนั้นท่านก็ไม่เกี่ยวเช่นพระอัญญาโกนทัญญาไปอยู่ในอะไรสัตทันมีช่างอุงปธรรมปฐางนนตั้งสิบเอ็ดปีผ้าย่อมได้ด้วย ด, ด, ดินแดงคือไม่ไม่มีอะไรจะย่อมจำเป็นก็ย่อมพรา ด, ดินแดงถึงเวล า, าแล้วก็มาทูลลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานไปเลยองนี้ปรากฏว่าได้สอนเฉพาะพระปุณณมัน ปุรนมัมตณีบุตรเพิ่งเป็นหลานชายอันนี้เป็นพระธรรมก็ะถึกเอกครบับปุรนมัมตนีบุตรนี้เป็นหลานชายของพระอัญญ า, ญญาโกลนั่นเนาปรากฏว่าสอนองค์เดียวเท่านั้นน้อท่านไม่สนใจกับใครเลยนี่เป็นนัตตัญยูคือพระสาวกองค์แรกที่ไดบรรลุธรรมอง์ที่ท่านมีอํานาจวัฒนาในทางใดท่านก็เป็นไปาตามเรื่องของท่านเองเช่นภาษาที่บุตรพระโมคคันลา เป็นผู้มีอำนานวาสนามากมีความรู้ความฉลาดมากอย่างภาษาอิบุตการแนะนําสั่งสอนก็กว้างขวางทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่เหมาะสมดังนั้นด้วยความฉลาดในการสอนพระโมคคัลลาก็เป็นผู้ทรงนิสตทรงเด็กเป็นไปตามนิสัยวาสนาของท่านในลําดับ น, นั้นแหละมีเมื่อถึงขั้นอรหัตภูมิแล้วเป็นนิสัยวัสนนาล้วนๆไม่มีจิเด็ชเข้าเจือปนท่านจะอบรมสั่งสอนประชาชนตุลเมืองมากน้อยเพียงไร มันเป็นไปตามปัญญาสายของท่านไม่มีกิเลสเขาครือบแฝงก็ไม่ทําให้เป็นยุบยุบบับนดอนท่านสอนท่านได้แล้วก็เอามาสอนคนอื่นในเบื้องต้นท่านจะสนใจต่อการอบรมสั่งสอนท่านอย่างเต็มที่ถึงผลทรมานการที่จะทรมานกิเลสมันก็ต้องเป็นการทรมานตัวอยู่โดยตรงถ้าไม่ทําอย่างนั้นกิเลสมันก็ไม่ยอมกิเลสมันก็ไม่ ไม่หมดไปการทรมานกิเลสกับการทรมานตนในขนาดนั้นมันก็เรียกว่าเป็นอันเดียวกันก็ได้ไม่ไม่น่าจะผิดเพราะขนาดที่ทุ่มเทกําลังเพื่อการลบรากับกิเลสหรือเพื่อกแก้กิเลสนั้นมันก็ต้องใช้ความบูสาหพยายามต้องได้รับความทุกข์มากน้อยเจ้าของต้องยอมรับไม่ยอมรับไม่ได้ฮิ ด, ดูบางองค์ท่านเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกนั่นเห็นไหม ทั้งท้ที่ฝ่าเท้านะั้นไม่ใช่กิเลสแต่จำเป็นก็ต้องในรับรับความกระทบกระเทือนไปด้วยถึงฝ่าเท้าแตกด้วยการรบกับกิเลสบางองค์ก็ตาแตกพระจักคุบานตาแตกทั้งสองข้างเลยเพราะไม่นอนต้องเป็นเวลาสามเดือนฝึกทรมานอย่างเต็มที่จนตาทั้งสองข้างแตกแต่ใจสว่างจ้าขึ้นมาแทนกันแทนที่ ถึงคราวที่จะต้องรับความทุกข์ลาบากเพราะการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสก็ต้องยอมรับกันเราจะไม่ยอมรับอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ต้องยอมรับพระพุทธเจ้าก็ายอมรับพระสาวกทั้งหลายกว่าจะได้มาเป็นสาวนาของพวกเรายอมรับเรื่องความทุกข์ความลําบากในการฝึกฝนทรมานกิเลสทั้งนั้นนะ่ะเพราะกิเลสมันอยู่กับตัวฟันกิเลสไม่ฟันเข้าไปถูกตัวด้วยกระทบ ก, กระเทือนกิเลสไม่กระทบกระเทือนตัวด้วยมันไม่ได้ต้องกมีการกระทบกระเทือนตัวเป็นธรรมดา ในพวกเราก็เหมือนกันไม่ใช่กิเลสมันอยู่ห้องน้นเรามาอยู่ห้องนี้แล้วขังกิเลสไว้ในห้องน้นเรามาอยู่สบายในห้องนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเรายืนห้องไหนกิเลสอยู่ห้องนั้นเราอยู่ที่ตรงไหนกิเลสอยู่ที่ตรงนั้นการปลึกสารมานเราตรงไหนกิเลสก็เป็นการฝึกทรมานกิเลสตรงนั้นและในขณะเดียวกันก็เป็นความทุกข์ทั้งในการปุกฝนกิเลสเช่นเดียวกันคือเราต้องไในยอมรับความทุกข์ เช่นนั่งมากมันก็ทุกเดินมากก็ทุกนอนมากก็ทุกนอนพิจารณากิเลสนะกำหนดภาวนามันทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นชื่อว่าประโยคพยายามที่จะแก้กิเลสแล้วมันเป็นความทุกข์ด้วยกันแม้จะเป็นการอดนอนป่อนอาหารมันเป็นเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่เพื่อจะแก้กิเลสเนี่ยทุกก็ต้องยอมรับการขัดตก บ, บกพร่องอะไรอะไรก็ตามมันเป็นความฝืดเครืองในการในความเป็นอยู่ก็อยอมรับอะไรต้องยอมรับยอมรับ เมื่อเขียทิศอันยิ่งใหญ่มุ่งต่ออดต่อธรรมเพื่อคือแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วอะไรเราต้องยอมรับกันทั้งนั้นไม่ยอมรับไม่ได้เีตุเกเรมันอยู่กับเราเราไม่ยอมรับความก็ตก้อกระเทือนความทุกข์ความลําบากเพราะการแก้เกเรด้วยไม่ได้ต้องยอมรับทุกข์ก็ทุกยอมทุกข์ลำบากก็ยอมขอให้เกเรมันค่อยหมดไปหมดไปเพราะเกเรตเป็นเครื่องก่อความพานา จ, จิตใจพกบ่อนทําลาย ก็คือกิเลสนี่แ่ะอย่างภายนอกนะครับที่เราเห็นนั่นแหละจะไตรกันที่นั่นจะไตรกันที่นี่ออืเดินขบวนที่นั่นเดินกระบวนที่นี่ก็คือพวกบ่อนพวกทําลายทําลายบ้านเมืองทาลายที่นั่นทำลายที่นี่ทำลายหลายครั้งหลายผลก็ไนมันก็แหลกไปเองนี่ก่เลสมันทําลายเรามันทําลายอยู่มันมันบ่อนตรงนั้นมันบ่อนตรงนี้แต่เราไม่ทราบมันมันบ่อนทําลายเราสิเราเราไปเข้าข้างมันเสียเนี่มันก็เลยตัวของเราก็เลยเป็น เรื่องความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่เห็นโทษตัวเองเลยนี่มันเป็นความลำบากอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาแยกแยะออกเกีก่ยวกับกธรรมอันใดเป็นไปเพราะความก่อทุกข์ความลําบากแก่ตนให้ระมัดระวังว่าเกาีก่ยวกับกธรรมคือความคิดประเภทนั้นผิดพยายามแก้ไขโดยถูกทางแล้วก็จะมีความพัาสุดยิ่งใจหรือผู้เกี่ยวข้องควรมีความพัาสุดยิ่งใจเช่นเดียวกันนี่ขึ้นอยู่กับปุบบายแห่งการแก้กิเลสคําว่ากิเลสเราจยากคิดว่ามันอยู่ที่ไหน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 ทราบว่าผิดหรือถูกโดยทางเหตุทางผลแล้วก็แก้กันไปได้โดยลๆๆๆําดับลำดับนี่เราจะทราบว่าอันไหนเป็นเรื่องของเหตอันไหนเป็นเรื่องของธรรมค่อยทราบไปโดยลำดับแต่เรื่องความทุกข์จะต้องได้รับเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นความเพียรขั้นต่ําขั้นกลางขั้นสูงขั้นละเอียดแค่ไหนเมื่อกิเลสยังมีอยู่ความทุกขในการฝึกฝนท ร, รมานกิเลสมันก็ต้องมีแก่เราอยู่โดยตรงถึงจะมีก็าตาม ความเชือ่ออย่าที่ว่ากรรมฐ า, านกรรมฐ า, านเมื่อสักครู่นี้เป็นงานใหญ่ต้องเป็นความทุกข์แต่คุณค่ามันอยู่ในความทุกข์มีนี่นี่คุณค่าอยู่ในความทุกข์ในการฝึกฝนทรมานกิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ภายในกิจัารของเรามันก็มีเหมือนกันมันต้องมีความเข้มแข็งไม่เข้มแข็งไม่ได้การถุดการลากิตออกจากสิ่งมโหมะเษกออกจากสิ่งโงออสโครตโ ส, สมมส ม, มนี้เป็นของทำได้ยาก เพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยอยากจะทํากันสู้นอนจมกับกิเลสไม่ได้เก็เลยจําเป็นต้องนอนนอนจมนั้นนอนบ่นอย่นั้ น, นเป่ากองทุกบ่นให้ทุกแต่ว่ามีทางที่จะแยกทุกจัดตัวได้บ่นกันไปจนกระทั่งวันตายก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรก็มีแต่ความบ่นระบายทุกออกด้วยความบน่บบมบนมันก็ไม่ถูกแต่ก็จําเป็นต้องระบายนีระบายทุกออกด้วยอาการนั้นโดยอาการนี้ เข้าใจว่าจะเป็นทางถูกต้องเป็นทางระบายทุกเป็นทางที่จะให้มีความถูกบ้างมันก็ไม่มีเพราะไม่ใช่ทางแ ก, ก้กิเลสมันเป็นการเพิ่มพูนกิเลสขึ้นซะอีกนี่ถ้าเราคิดทางปัญญาแล้วมันก็มีทางปฏิบัติหรือทางแก้ไขกันไปศา ส, สนาในครั้งกุฏกาลท่านสอนอย่างนี้สอนเข้าในวงจิตโดยเฉพาะเฉพาะในเรื่องที่จะระบายออทางกายทางวาจานั้นเมื่อจิตได้รับการอบรมดีแล้วมันทราบเองอันไหนถูกอันไหนผิด พอสำคัญให้จิตเป็นผู้ได้รับทำคือเหตุผลเข้าสู่ดวงใจทุกสิ่งทุกอย่างแสดงออกจะเป็นไปโดยเหตุโดยผลก็เป็นความร่าบรื่นดีงามการแก้แกค่กิเลสถ้า ม, มีเหตุมีผลก็แก้กันไม่ตกต้องมีเหตุมีผลเป็นเครื่องแก้ไขกัน ก, กิเลสอ่านกัำพี้ไหนก็มา ก, กิเลสเราก็เข้าใจว่ากิเลสไปอยู่ในคำรรพีมุงเสียนั่นสิ่อันหนึ่ง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 ความโลภชื่อมันอยู่ในคำพี์ตัวกิเลสอยู่ภายในใจความโกรธคมัมภี์ไม่ได้โกรธหัวใจคนมันโกรธต่างหากความรุม่มหลงคมัมภี์ไม่ได้รุม่มหลงชื่อชื่อของกิเลสไม่ได้หลงไม่ไ้รุ่มหลงตัวกิเลสคืออยู่ภายในตัวของเราเองนี่เป็นตัวหลงต่างหากแน่การแก้จึงต้องเข้ามาแก้ที่นี่อแก่ที่อื่นไม่ถูกเนี่ยแก้โดยถูกหลักแล้วกิเลสมันจะค่อยเบาบางลงไปลงไปทวนดูเจ้าของเสมอ ดูภายนอกกระทบตัวก็ามาภายในจึงชื่อว่าเรียนทำเราจะดูออกไป น, อ, นอกๆดูไปเรื่อยๆจนรกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวถัดดูเข้ามาในตัวดูไปข้างนอกเทียบเทียนเหตุเทียบเียนผลแล้วมันก็มีสัตว์มีส่วนที่จะลงกันได้จิตใจก็ปล่อยวางลงไปได้ก็สบายสบายมีวิธีเรียนวิธีปฏิบัติต่อที่เรยให้ปฏิบัติอย่างนี้วันหนึ่งกระทบตัวมากๆกทบทัวเรื่องของตัวเองพิจารณาเรื่องของตัวเองให้มากๆเพราะมันผิด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 เป็นเสี้ยม้ําอยู่ภายในจิตใจออกได้แก่กิเลสทั้งหลายมันเป็นเสี้ยงเป็นหนามทั้งนั้นแหละพยายามถอดถอนออกไปโดยลํำดับชีวิตจิตใจมันหมดไปทุกวันทุกวันนะเมื่อวานนี้ก็หมดไปแล้ววันหนึ่งละวันนี้ก็หมดไปแล้ววันหนึ่งละมันจะหมดไปเรื่อยๆหมดจนกระทั่งมันมีไรเหลือมันจะผ่านไปเรื่อยชีวิตทั้งขานร่างกายผ่านไปเรื่อยจนจะไม่มีไรเหลือติดตัวแล้วเขาเรียกคนตายเมื่อมันไม่เหลือติดตัวแล้วเรียกว่าคนตายด้วยกันทั้งนั้น คนก็ตายสัตว์ก็ตายไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเพาะนั่นจึงต้องรีบเร่งข้นขวายก่อสร้างคุณ ง, งามความดีที่จะไม่สูญหายไปไหนอันนี้เป็นสิ่งที่จิตแน่ขอบใจท่านจะก่อสร้างวาสนาบารมีวาสนาคือทําเครื่องอยู่นั่นเองจะเป็นอะไรไปทําเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเ ค, เครื่องพึง่งพิงเครื่องส่งเสริมจิตใจเหมือนเด็กคนมีบ้านมีเรือน เป็นที่อยู่อาศัยมันก็สบายถ้าไม่มีก็ลําบากบ้านเมืองเขามีที่อยู่ที่อาศัยเราไม่มีเราไม่ใช่กระจ้ากระแต่ช่สัตว์แม้แต่สัตว์็ขาก็มีวงมีรังมนุษย์เราไม่มีบ้านมีเรือนอยู่ได้หรือมันลําบากจิตใจไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลไม่มีที่พึ่งที่อาศัยไม่มีที่เกาะที่เหนียวอยู่โดยลำพังตนเองมันก็มีแต่ความทุกข์รุมอยู่ตลอดเวลาหาความสุขความสบายไม่ได้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 ความเสียใจนั้นเกิดขึ้นเพราะความหลงอิกิยาบถมันเกิดขึ้นตรงนี้ความทุกข์มันจึงเกิดขึ้นมาได้เกิดความกังวลกังวายภายนจิตในใจทุกข์เกิดขึ้นที่นั่นที่นี่กลัวทุกข์จะไม่หายกลัวตนจะตายบ้างเหล่านี้มีถึงแต่เรื่องส่งเสริมรกิเลสเพราะคำามโเขาของตอนเองไม่รู้สึกตัวเอาจะเป็นก็เป็นสิจะตายก็ตายสิเราเรียนความรู้เรียนเพื่ออะไรความรู้ก็คือความรอบสิ่งเหล่านี้เองเป็นก็เป็นมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกรทั่งถึงบัดนี้ทราบท่านแล้วตายทำไมจะไม่ทราบมันอยู่ใน อวัยวะอันเดียวกันให้มันทราบสินี่เรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องของธาตุของขันเรื่องจะเรียนรู้เรื่องความเป็นความตางตัวเองเป็นเรื่องหลักวิชาทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องของปัญญารู้แล้วก็เจ้าของก็ไม่เสี ย, าสยธาตุแท้ทีไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นดับไปคือเวทนาทั้งหลายหรือร่างกายที่มันตา ก, กดตัวขึ้นแล้วมันสลายตัวลงไปจิตใจแล้วก็แน่นหนามันคงมีหลักเกณฑ์เป็นที่อยู่ที่อาศัยมีความมั่นคงมายจิตใจไม่วุ่นวายไปกับธาตุขันที่มันจะสลายนี่ กิเลสมันแทรกขึ้นมาอย่างนี้ความทุกข์ที่นั่นความเจ็บปวดที่นี่แล้วก็จะเกิดความส้องพันขึ้นมากลัวจะไม่หายกลัวจะตายบ้างจะตายวันนั้นจะตายวันนี้อะไรมาหากคิดไปคิดเรื่องแหล่านี้มีแต่เรื่องที่จะขอบความทุกข์ความลำบากให้เกิดจิตใจทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีไม่ใช่เป็นเรื่องแก้กิเลสเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้เราทราบไว้อการแก้กิเลสคือยังไงเกิดก็เกิดให้รู้เรื่องความเกิดเจ็บก็ให้ทราบมันเจ็บมันเรื่องของความเจ็บอันหนึ่งต่างหาก ความเจ็บเป็นอัหนึ่งต่างหาผู้รู้เจ็บเป็นอัหนึ่งต่างหานีตายก็ให้ทราบมันตายอันไหนมันตายก็มันตายไปผู้ไม่ตายคือผู้รู้ก็ให้มันอยู่นีผู้ศรีรู้ไม่ตายไม่มีปัญหาหรือมปลังอมตะังตะหมายเพงกลิ่นนั่นเองพลีกิ่เลียดอยู่มันก็เป็นอมตะ้ามันทลีเลียดสิ้นไปแล้วเราเป็นอมตะแต่เป็นอมตะที่ต่างกันเท่านั้นแหะอมตะอันหนึ่งอมตะทางวัตตะคือต้องหมุนต้องเรียนอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปอมตะอันหนึ่งไม่เกิดต่อไปอีกและไม่ตายมีเป็นอมตะของความมืดสุดแห่งใจ มี2 อ, อย่างเราเรียนให้รู้อันใดที่จะมาเกี่ยวข้องมาทําลายจิตใจให้ทราบว่านั้นคือค่าสืกให้รีบแก้ไขกันทันทีให้มันทราบนี่แหละเรียนเรียนทำคือเรียนเรื่องขันสาคัญที่สุดก็คือขันระหว่างขันกับจิตนี่มันกระทุกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่นนอนรู้ทุกอิริยาบถมันกระทุกระเทือนอยู่เสมอถ้าเรามีสติปัญญาก็จะเป็นหินรับอยู่เสมอและเรื่องความกระเทือนทั้งหมดนี่เป็นหินรับปัญญาคือเป็นเครื่องปลุกปัญญาให้ปัญญาได้ตื่นทันทันกับเหตุการณ์ รู้ร อ, อบความคิดกับมันแล้วสิ่งเหล่า น, นี้ก็ไม่ซึมซา้าะพันในจิตใจไม่ต่อยยาพิษเข้าไปพานในใจใจก็ไม่เดือดรอนะอ้อนกม่โกลนกวายถึงว่นลาจากตาก็ตาไปอย่างสุกโตเพราะความรู้รอบครอบแล้วแน่มันก็เป็นอย่างนั้นเยนทําเรียนอย่างนี้อ่ะเป็นแก้กิเลสก็แก้กิเลสอย่างนี้เองกิเลสคือความสําคัญนา้นหมายต่างๆนี่แหละซึ่งเกิดขึ้นจากจิตดวงเดียวแก้ให้มันถัานยิ่งเวลา ส่วนตัวเขาจริงๆนี่เวทนามมีมากมายอะไรมันจะโหมตัวเข้ามาหมดนะะแต่ให้พึงทราบว่าเวทนาอยากเข้าใจว่าเวทนาเป็นตนอันนี้เป็นหลักสําคัญมากอภิชนะมันเห็นความจริงของเวทนามันจะทุกข์มากมน้อยเพียงไรให้รู้เอากิจกําหนดหยุดนั่นนั่นล่ะให้รู้กิตนี่เป็นธรรมชาติที่รู้นะเวทนาเป็นจริงที่แสดงขึ้นเกิดขึ้นระดับไปเป็นธรรมชาติของมันเองผู้ที่รู้ให้รู้ถ้ามันเกิดมันดับ มันจะตายก็ให้รู้ว่ามันตายอะไรมันตายก็ให้รู้สิ่งที่ไม่ตายก็อยู่รือผู้รู้นี่ให้มันทันกันอยู่ทุกเวลาแล้วก็ไม่วิตกวิจารณ์การเป็นการตายเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาถ้าเราทราบตามหลักธรรมโดยหลักธรรมชาติแล้วเราจะไม่มีปัญหากับเรื่องการเป็นการตายเลยเท่าที่เป็นปัญหาก็คือว่าตัวกิเลสทั้งหลายเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้นมาถ้าสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วก็มาผ พ, พันจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เสมอทั้งๆที่ยังไม่ตายก็เดือดร้อนแล้วกลัวตายเนีย เวลาจะตายจริงมันก็ยิ่งเดือดร้อนอีกแล้วมันเกิดไม่เกิดประโยชน์อะไรความเดือดร้อนบางอย่านี่แต่ความทุกข์ตายแล้วก็เสียท่าเสียทีเพราะความเดือดร้อนเป็นเหตุอีกแล้วนั้นจึงต้องแก้ความเดือดร้อนด้วยความรู้ความเข้าใจในธาตุในขันในอ า, นาิยนะต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่อยูในกองสมมุติทั้งหมดเรามาใส่กองสมมุตินี้จะให้สมมุตินี้เป็นตัวของเราได้อย่างไงมันก็ต้องเป็นเรื่องของเขาของเราอยู่นั่นแหละเอาท่าก็เป็นท่าขันเป็นขันจะว่าไง ดินเป็นดินน้าเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟถ้ามันเป็นเรามันเป็นไม่ได้ถ้ามันตั้งอยู่ยืนถาวรอย่างที่ความคาดความหมายความสําคัญแห่งใจของเรามันเป็นไปไม่ได้เพราะนี่เป็นหลักธรรมชาติทั้งมันเป็นอย่างนั้นเคยเป็นมาดั้งเดิมเป็นอย่างนั้นผู้เรียนหลักวิชาทางทธรรมะจึงต้องเรียนให้รู้ตามหลักธรรมชาติและอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนของสิ่งเหล่านั้นต่างอันต่างจริงก็สบายสมัยไม่มีอะไรมาก่อกวนนี่อชื่อว่าเรียนทำชื่อว่าแก้ขี้เล็ ปฏิบัติพื่แก้กิเลแก้อย่างนี้กิเลสอยู่ภายในจิตใจคือความก่อนความลำเอ็ยงด้วยแง่ต่างๆอันเนียกว่ากิเลสทำก็คือสติปัญญาพิจารณามันรู้เรื่องรู้ราวกับสิ่งแบบนี้แล้วปล่อยวางกันไว้ตามสภาพของมันด้วยความรอบพรอบแล้วนะถึงข้าวที่จําเป็นมันไม่เอาอะไรมาแสดงแหะมัญญาของจริงที่เคยมาแสดงนี่แหะทุกกระทุกตัวเก่านั่นแหละที่เคยเป็นอยู่น้ำบัดนี้ะจะแสดงในเวาราสุดท้ายคือเวลาตายไม่เอาทุกมาจากไหนปัญญาก็ปัญญาอันนี้แหละที่เคยได้พิจารณานี่แหละรู้จริงรทำ ความกินของมันในทุกเวตนาทั้งหลายเอาเรื่องความตายมันก็อันมันเกิดอยู่นี้แหละมันจะตายไม่ใช่อันอื่นอันใดเลยตายคือตัวมที่มันรวมผสมเข้าเนี่ยเป็นก้อนคนก้อนศัตรูเนี่ยมันจะสลายตัวจากก้อนนี้ลงไปแล้วก็ทราบมันทราบมันจะทุกอย่างไม่จะต้องไปไม่ต้องไปแบ่งสรรพันส่วนกับเขาต่อยให้เขาลงตามสภาพของเขาเต็มร้อยปซของเขาเอาดินลงไปให้เต็มร้อยเปอร์ซตของดินน้ำให้ลงลงไปเต็มส่วนของน้ําไฟเป็นให้เป็นไฟลงไปเต็มส่วนของไฟของลม อ้าวถ้าขันอะไรมันตั้งขึ้นมันดับไปให้ตั้งขึ้นดับไปตามส่วนของมันเต็มส่วนของมันผู้รู้ให้รู้อยู่เต็มส่วนของตนเองเมื่อไม่ค้าเข้ า, ขากันแล้วมันก็ไม่มีอะไรมายุ่งเหยิงวุ่นวายกั น, มนไม่รบกันต่างอันต่างจริงแล้วไม่รบไม่รบมันก็ไม่ทุกไม่เดือดร้อนสบายนี่แหละท่านเรียนธรรมแก้ที่เหลือท่แก้อย่างนี้แต่เราจะไปล่มจมไปไหนฟังธรรมจิตสิเรียนเพื่อรู้เพื่อฉลาด จะไปร่มจมที่ไหนความรู้ความฉลาดไม่พาให้ล่มจมนอกจากความโง่ความเขา่าเท่านั้นพายล้่มจมได้การพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อการร่มจมเพื่อความปลดเปลื้องตัวเองออกจากสิ่งรุ่มร้อนทั้งหลายนั่นเสียคือธาตุขันนี่มันเป็นความรุ่มร้อนอันหนึ่งของมันที่มันมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันถ้าจิตเข้าไปเกี่ยวข้องใจก็ร้อนไปด้วยคือจิตพวกเรานี่ร้อนไปด้วยถ้าจิตรู้ตามความจริงของมันแล้วแม้จะอยู่ในท่ามกลางอย่างกองเพลิงคือทุกเวทนาทั้งหลายมันก็ไม่ร้อนเพราะจิตไม่ร้อนจิตรู้ตามคปามจริงแล้วอยู่นน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 จะจําได้ไมาได้ก็ตามเถอการทําบุญสุนทานต่างๆมากน้อยกี่ปีกี่เดือนกี่ครั้งกี่หนไม่จําเป็นจะต้องจําลงในที่จิตหมดลงในจิตนี้หมดจิตเป็นผู้รับไว้ทั้งหมดนะแล้วความดีเหล่านี้เราจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตพ้นหพ้นจากโลกไปพ้นเรือ่องหน้าในความดีเนี่ยเนี่หลักศาสนาส่วนใหญ่ท่านสอนตรงที่นี้ นี่ไม่เสียเวลามเวลา่า ม, มีพิธีรีตองอะไรเราอย่าไปเดินจงกรมเป็นพิธีก็แล้วกันถ้าจะทําให้เป็นพิธีมันก็เป็นได้นั่งสมาธิก็สักแต่ว่านั่งสติสตังไม่มีเลยนั่งสัปประงกงกันแล้วหลับก็ก็นั่นนั่นแหละมันพิธีอะไรกัรู้มัพิธีบ้าอ่าว่ายเดินจงกรมก็เดินเดินไปงั้นเห็นก็เดินก็เดินสติสตัสตงไม่ทราบไปอยู่ไหนอันนี้ก็เป็นพิธีอันหนึ่งกัน เรเดินนะวันนี้เราได้เดินย่างกรมทันทันชั่วโมงทันี้นาทีดีใจเวดีใจกับลมกับแรงเป็นไม่เรื่องอะไรน่าหลังมเป็นพิธีไปเที่ยวดินยังกรมพอเป็นพิธีนั่งสมาธิพอนาพอเป็นพิธีอะไรเลยพอเป็นพิธีหึงกิเลสมันไม่ใช่เจ้าพิธีนี่นะมันตัวเหยียบย่าทําลายคนโดยตรงต้องแก้มันลงที่ตรงนั้นจาก้มที่ตรงนั้นอยู่ไหนมันก็เป็นความเพียรนั่งอยู่ก็เป็นความเพียรถ้ามีสติมีปัญญารักษาจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วเอียบททั้งสี่เป็นความเพียรกันทั้งนั้นน่ย ให้มีความเพียนแบบนี้นะนี่แหละคือว่าเดินตามหลักศาสนาเดินตามแนวทางของผู้แก้ที่เลดศแล้วก็คือเรียกว่าเดินทางประรำแนวทางของผู้ที่จะสิ้นทิเดศจะสิ้นในแบบนี้สิ้นในลักษณะ น, นี้ไม่สิ้นแบบอื่นลักษณะอื่นพระพุทธเจ้าท่านสิ้นไปเพราะเห็นนี้สาวกท่านสินไปด้วยอุบายวิธีนี้ด้วยปฏิปทาันนี้ทิเดศมีประเภทเดียวกันการดำเนินแบบเดียวกันทิเดศจะต้องหลุดลอยไปเดินําดับเช่นเดียวกันและถึงความพ้นทุกข์เช่นเดียวกัน ยิงขอให้เป็นที่ลงใจในการปฏิบัติของตนเองและขอยุติเพียงเท่านี้